มาถึงนี่ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนนี้ <c oughs> มันมีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าอาทิสมันกายของใครเข้ามายุ่งกับหลวงมพ่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่ เออต้องมีสัมมาคาระวะน้อยว่าไปเชื่อเดินลุ่มล่ามาได้ยังไงแต่ทีนี้มันไม่ใช่ของจริงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความฝันทีนี้ก็เลยจะอธิบายถึงว่าเวลาที่เอ่อคนที่นอนหลับไปเนี่ยทุกคนทุกคนที่นอนหลับเนี่ยในขณะนั้น เราจะต้องเข้าใจว่าเราอยู่กับอาทิตย์สมานกายเมื่อเราอยู่กับอาทิตย์สมานกายนั้นเพราะเหตุใดเมื่อเวลาเราตื่นขึ้นมาเราจึงเกิดความกระชุ่มกระชวยเราจึงเกิดการมีชีวิตแล้วก็มีความเป็นอยู่ได้ตามปกติด้วยเหตุดังกล่าว อาธิสมานกายต้องมีความสำคัญในชีวิตของบุคคลเพราะว่าถ้าไม่เข้าไปอยู่ในอาธิสมานกายตามกำหนดกฎเกณฑ์แล้วเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มันจะเกิดอาการผิดปกติเช่นเรานอนไม่หลับเอาว่ากันทั้งว่านอนไม่หลับประมาณหนึ่งอาทิตย์ อะไรจะเกิดขึ้นความหงุดหงิดหรือว่าความสุดโทรมของร่างกายกายหยาบอันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่ในกายละเอียดหมายความว่าไปอยู่ในท่ศมานกายก็จะต้องมีความสำคัญสำคัญอยู่ที่ตรงไหนสำคัญอยู่ที่ตรงว่าเมื่อจิต เขาไปอยู่ในอธิสมัารกายแล้วอธิสมัารายนั้นมันจะมีพลังพิเศษอยู่เมื่อมีพลังพิเศษแล้วจิตนี้ก็ต้องไปรับพลังพิเศษจากอาธิสมัารกายแล้วพลังพิเศษอเ น, น้เกิดขึ้นมาจากคือเกิดขึ้นมาจากสมาธิที่เรียกว่าสมาธิธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ คนที่เข้าไปสู่อาทิตตะมันกายนั้นจึงได้รับพลังอนั้นออกมาเมื่อได้รับพลังอนั้นออกมาแล้วก็จะมามีการกระชุ่มกระชวยมีสติมีสัมปชัญญะมีความคิดได้มีร่างกายคล่องตัวมีความคิดอ่านอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้พอเราไม่ได้ ค, คือนอนไม่หลับ การ น, นอนไม่หลับนั่นคือการไม่ได้เข้าไปอยู่ในะอาทิตสมานกายเมื่อเป็นเช่นนั้นพอเราจะต้องทำการทำงานหรือมีความคิดความอ่านเนี่ยมันจะเกิดอาการฝืดหมายความว่าไม่คล่องตัวแล้วก็ทาให้เกิดงุดงิดแล้วก็ทําให้เกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตามมาเยอะแยะด้วยเหตุดังกล่าว การทำสมาธิการทำสมาธินั้นเราจะไปอยู่ในอธิสมานกายเวลาที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิการทำจิตให้เป็นสมาธิไปอยู่กับอธิสมานกายนั้นจะอยู่ตอนที่จิตของเราได้เข้าผวางไปแล้ว <c oughs> ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าผวางเป็นต้นว่าเกิดความละเอียด เกิดวความละเอียดชนิดที่ว่าเอพุทโธยังเหลืออยู่นิดเดียวหรือว่าจะมีความสบายชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอความสบายชนิดนั้น่ะหมายความว่าได้สัมผัสอาทิตย์สมานกายแล้วแต่เมื่อเวลาที่เข้าพวังไปก็เรียกว่าอสัมผัสอาทิตย์สมานกายเอได้เต็มที่เพราะฉะนั้น เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราทำสมาธิเนี่ยใจของเรานั้นได้เป็นผู้ที่เก็บพลังอันนี้เอาไว้แล้วพร้อมกันนั้น อ, อ, อาทิสมานกายก็มีส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องเก็บพลังจิตอันนี้ไว้ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงได้แบ่งคือแบ่ง อพลังจิตนี้ไว้เป็นสองส่วนเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งคือพลังหลักและส่วนหนึ่งคือพลังเฉลี่ยพลังหลักนั้นจะอยู่ที่ใจแล้วก็พลังเฉลี่ยนั้นก็จะต้องอยู่ที่อาทิตมานกายอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอการที่เราเข้าไปเอใช้หรือเข้าไปสัมผัส การที่สมานกายแต่ละครั้งละครั้งนั้นอาทิสมานกายจะต้องให้อพลังกับใยของเราเนี่ยให้เกิดการกระชุ่มกระชวยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุ ด, ดังกล่าวการที่เราทําสมาธิเราอาจจะเกิดความสบายเราอาจจะเกิดสิ่งที่มันเกิดความสบายขึ้นมาเนี่ย มันจะมีความสบายพิเศษพิเศษกว่าความสบายอื่นๆถ้าเราลองสังเกตดูให้ดีเราอาจจะสัมผัสกับอาทิสมานกายโดยที่เราไม่รู้ตัวในขณะที่เกิดความสุขชนิดหนึ่งขึ้นมาในสมาธิเพราะฉะนั้นในเมื่ออาทิสมานกายมีพลังเพิ่มขึ้นมากขึ้น เมื่อเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยมันมันมีอะไรที่จะทําให้มีความพิเศษคือเมื่ออาธิสมันกายได้รับพลังจิตนี้มากคือได้รับพลังมากขึ้นเมื่อได้รับพลังมากขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้งานเราจะใช้งานตรงที่อาธิสมันกายได้ รวบรวมไว้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าฌานเป็นต้นว่าเข้าไปโดยความไม่รู้สึกตัวหรือหายไปเลยอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อยู่ได้แต่เฉพาะความสบายเท่านั้นแต่คนผู้ที่จะแสดงฤทธิ์ได้นั้นไม่ได้อยู่ในฐานที่ลึกคืออรูปฌาน จะต้องมาอยู่ในฌานที่ตื้นตื่นเพราะว่าฌานที่ตื้นตื่นนั้นก็หมายถึงว่าฌานที่ยังมีอารมณ์อยู่อารมณ์นั่นเขาเรียกว่าเอกคตารมณ์ยังมีอารมณ์อยู่เคยมีอารมณ์อยู่จึงเป็นอันว่ามีพลังแล้วก็สามารถใช้อย่างการแสดงฤทธิ์ต่างๆเนี่ยเขาใช้อธิษฐานกายแสดงฤทธ กายหยาบของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทําเหมือนกับกายละเอียดได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเทําแบบเดียว ก, กันกับพวกเรื่องคงสมบานจีนอ่ะคงสวบานจีนเนี่ยเขาจะปล่อยอะไรต่างๆออกไปเนี่ยอในที่สุดเขาก็บอกว่าปล่อยเกี้ยมสุดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุ้ยกวางอะไรอย่างงี้เป็นต้น พอเวลานั้นแล้วมันจะเกิดแสงออกไปแล้วก็เกิดไปทำอะไรต่ออะไรได้อันนั้นเป็นเเวียเรียกว่าพงสวดานแต่พงสวดานนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหมายมันมีความหมายอยู่เพราะว่าคนที่จะไปแต่งพงสวดานขึ้นมาได้นั้นมันต้องมีเหตุ มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นเหตุให้เขาแต่งพงศวดานนั้นออกไปเออเหมือนกันกับที่เขาแต่งในเรื่องทาซานอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเหตุหรือพวกเอ่อพวกฝรั่งที่เขาแต่งเรื่องทาซานเนี่ยก็เป็นอพินิหารชนิดหนึ่งแต่พินิหารชนิดนี้นั่นเอ่อเกิดขึ้นจากเอ่อ เกิดขึ้นจากซิกเซนคือหมายความว่าประสาทที่หกที่เขาสามารถที่จะแสดงตัวออกมาให้มันเก่งกาจขึ้นมาเหนือกว่ามนุษย์อันนี้คือการอธิบายถึงเรื่องอธิสมานกายกับสมาธิที่เรากำลังทำกันอยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก็คงถือว่าเป็นการอธิบายข้ามข้ามขั้นไป จึงกลับคืนมาอธิบายที่เรื่องของการบริกรรมที่เราคิดว่าทำอย่างไรทาไมคาบริกรรมเนี่ยจึงมีความจำเป็นว่าจะต้องทำคาบริกรรมนั้นถ้ามองเพียงผิวเผินก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจำเป็นนักเหมือนกับเรามองดูกอกอกาอาจจะมองข้ามไปแต่หาก ไม่ทําความเข้าใจก็เสียหายได้แม้จะเป็นการเริ่มต้นแต่กรรมวิกรรมจะต้องเข้าแทรกแซงในทุกระยะของจิตที่จะดำเนินการเพราะว่าจิตของคนเรานั้นขึ้นขึ้ น, นลงลงแม้แต่ผู้ชำนาญแล้วก็ยังต้องขึ้นลงเหมือนกันในขณะที่จิตขึ้นหมายความว่าเป็นสมาธิ ไม่บริกรรม <K an> ก็ไม่เป็นไรเพราะจิตตั้งไว้แล้วแต่ตอนที่จิตจิตตกหมายความว่าจิตลงจิตตกลงตรงนี้ต้องอาศัยคำบริกรรมเข้าแทรกแซงเราจะทำจิตให้ขึ้นเองไม่ได้ <K an> เมื่อเป็นเช่นนี้ <K an> คำบริกรรมจึงต้องเข้ามามีบทบาทด้วยเหตุนี้จึงต้องไม่ทำการให้เป็นเรื่องมักง่ายเพราะว่า การทำสมาธิเนี่ยขั้นแรกขั้นแรกก็ดีอยู่แต่พ อ, อทำไปนานๆเข้าเนี่ยตัวของเราเองเกิดความมักง่ายขึ้นเพราะความมักง่ายนี้อย่างจิตเวลาที่มันตกลงไปแล้วอย่างเนี้ยหมายความว่าจิตมันศรัทธาก็ตกความตั้งใจก็ตก เวลาทำสมาธิเข้าก็านึกเอาจากของเก่าว่าเคยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็นั่งสมาธิก็นั่งพอเอาชั่วโมงหรือว่านั่งสมาธิก็พอให้ถือว่าเราได้นั่งกันแล้วกันแต่พอเวลาที่จิตมันจิตมันตกลงไปแล้วอย่างนี้ เราก็พยายามกดคือกดจิตของเราเอาไว้เพื่อที่จะให้มันเหมือนเหมือนกันกันกบที่เราได้เคยทำมาแล้วอย่างนี้ <c oughs> คือแท้จริงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่เราได้ไปกดมันเอาไว้เราไปกดคือไปกดมันเอาไว้เพื่อต้องการที่จะให้มันเป็นเหมือนเก่าเราก็ไปกดเอาไว้ เมื่อไปกดเอาไว้อย่างงั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเกิดความเสียหายขึ้นมาเหมือนกันกับเราเ อ, อต้องการคนเว่ายน้ําไม่เป็นดําน้ําไม่เป็นอย่างเนี้ยเราจะพยายามกดให้มันดําน้ําเป็นมันก็ยาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเ อ, อเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็จาเป็นที่จะต้องอาศัยคาบริกรรมเขาแทรกแซงเมื่อรู้สึกว่าจิตมันตกลงมาก็ใช้คําบริกรรมเราไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อเราใช้คําบริกรรมแล้วเนี่ย เ, เราก็จะต้องมีจิตต่ใต้แยแท่จริงไม่ใช่การที่เราใช้คำบริกรรมนั้นเพื่อที่จะ ทําให้จิตนี้เดินไปตามระยะในทางที่ถูกต้องเพราะว่าการที่จะขึ้นกระไดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปปีนไม่ได้เราจะต้องขึ้นกระไดขั้นที่หนึ่งไปก่อนมันถึงจะถูกขั้นตอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดว่าจิตที่มันเป็นอย่างนี้นั่นน่ะบางทีมันเศร้าบางทีมันอึนอดอัด บางทีมันเอขุ่นมัวหรืออะไรอะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจเกิดขึ้นมาได้ในระยะเอะที่เราดําเนินจิตเพราะการดําเนินจิตนั้นเราต้องดําเนินจิตไปในระยะยาวเมื่อเป็นเช่นนั้นในขณะที่จิตมันเป็นอย่างนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้คําบริกรรมเข้าช่วยแม้ว่า เราจะทำมาเก้าปีสิบปีหรือแม้ว่าเราจะทำมามากกว่านั้นแต่รกรรมกรรมมันนี้ก็ต้องใช้ในขณะที่จิตมนันเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้หลายประการเพราะคนเราไม่ใช่ว่านั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉยตลอดปีตลอดเดือนตลอดวัน พระคนเราก็จะต้องเข้าไปติดต่อการงานคนเราก็จะต้องทำธุรกิจแม้กระทั่งเป็นพระก็ต้องทำการทำงานยิ่งเป็นเจ้าอาวาสก็ต้องยิ่งตัดสินเรื่องนั้นตัดสินเรื่องนี้วันหนึ่งสิบเรื่องเ้าเรื่องสิบเรื่องนับไม่ถ้วนงานต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนใจทั้งหมด แล้วก็มันก็มาเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขในเวลาที่เราทาสมาธิไม่เป็นเช่นนั้นการบริกรรมนี่มันจึงเป็นความจําเป็นที่ว่าเราจะต้องบริกรรมบริกรรมมาไวแม้ว่าจิตนั้นจะต้องเข้าไปในลึกการบริกรรมนั่นอ่ะ <c oughs> เมื่อบริกรรมเหมือนกันกับว่ามันขึ้นต้นอย่างนี้แต่ว่า เ, เมื่อ เร า, เาทราบกันแล้วว่าหน้าที่การงานที่เราจะต้องไปดำเนินงานในแต่ละวันนั้นมันมีความหมายต่อการทำสมาธิไม่น้อยคนที่มีหน้าที่มากก็ยิ่งมีความกระทบกระเทือนมากทุกคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นกรรมกรทุกคนจะต้องมีสิ่งที่เข้ามาก็ทบกระเซือนในแต่ละวันทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้น เ, เวลาที่ทำสมาธิมันก็จะต้องมีสิ่งสิ่งเหล่านี้มันเกาะใจของเราเข้ามาเมื่อกะใจเราเข้ามาแล้วก็จำเป็นที่ คำบริกรรมนี่จะต้องใช้เพราะว่าถ้าเราใช้เข้าจริงๆแล้วเนี่ยคำบริกรรมนี่มันมีผลเพราะได้กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าการบริกรรมพุโทโธก็เหมือนกันกับการกรองกรองอารมณ์ต่างๆก่อนแต่ที่จะเข้ามาถึงใจเนี่ยเราจะต้องกรอง เมื่อกรองแล้วเนี่ยอสิ่งที่มันเป็นโมลพิษหรือเรีย ก, กว่าเป็นเชื้อโรคมันก็ต้องถูกกรองออกไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นน้ําที่ถูกกรองแล้วมันก็ปราศจากเชื้อโรคเอามาดื่มหรือเข้ามาสู่ร่างกายก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยส่วนน้ําที่ไม่ได้กรองเลยนั่นเมื่อเข้ามาถึงใจ มันก็เรียกกว่านำเชื้อโรคมาพร้อมด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เราไปกระทบในแต่ละวันนั้นจึงมีความหมายต่อการทำสมาธิที่เรากำลังทำอยู่ด้วยเหตุอย่างนี้การบริกรรมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการเคลียร์คือเคลียร์สิ่งนี้ออกไปแต่การเคลียร์นั้น ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ได้เคยทำสมาธิมาแล้วแล้วก็มีพลังเป็นเนทุนอยู่แล้วการเคลียรหรือว่าการทำความสะอาดนั่นเพียงชั่ววิาทีหรือเพียงชั่วไม่กี่นาทีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะสะอาดไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่เคลียซะเลยเราเข้าไปทั้งรุ่นอันนั้นน่ะไม่ได้ หมายความว่าเรามักง่ายพอนั่งสมาธิพับกำหนดจิตเข้าพวังไปเลยอย่างนี้หรือบางทีมันง่วงมาแล้วมาถึงก็ น, นั่งต้องแอร์ก็เย็นที่อิงก็มีพอเอ็นใส่พับหลับฟี่นั่นไม่ได้อะไรแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องของการที่ได้แสดงเอาไว้ในข้อที่สามนี้ว่าความจำเป็นต้องออย่อมต้องเกิดขึ้นแก่บุคคลทุกคนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นความจำเป็นต้องการมีชีวิตต้องรับประทานอาหารต้องรักษาโรคภัยไข้เจ็บผู้ต้องการความรู้จำเป็นต้องเรียนต้องใช้เวลาเรียน ต้องการปริญญาตรีโทเอกเขาก็จำเป็นต้องเรียนให้สูงต้องการเงินจาเป็นต้องหาอาชีพต้องการยศขาบรรดาศักดิ์ก็ต้องสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต้องการเป็นพระเป็นเนรก็ต้องขบทชเขาต้องการเดินทางก็ต้องมียานพาหนะเขาต้องการสมาธิเขาต้องบริกรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ แนะนำเป็นความเปรียบเทียบเพราะว่าเราก็ต้องแนะนำว่าการบริกรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปส่วนต่างๆที่ควรทราบความจาเป็นคือคำบริกรรมอันเป็นความจริงแห่งสัจธรรมความจาเป็นเหล่านี้เกิดตามความต้องการของมนุษย์ในที่นี้ต้องสอนใจของตนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ตามความต้องการถ้าเราไม่ต้องการก็หมดความจำเป็นบุคคลอยากได้แต่ไม่ทำจึงเกิดปฏิกิริยาแก่เขาเหล่านั้นปฏิกิริยาคือความทุกข์ยากลาบากแสนเข็ญอย่างที่เขาต้องการเงินแต่เขาก็ไม่ทำงานไม่หาอาชีพเขาก็อดเขาก็จนจนมากเข้าก็เกิดความเครียดเพราะเหตุเขาเสียดุลแห่งความจริง เรียกว่าอยากได้แต่ไม่ทำเพราะไม่เห็นความจำเป็นเพราะฉะนั้นเราเที่จะแนะนำตัวของเราเองก็ดีหรือเราจะแนะนำบุคคลผู้อื่นก็ดีเราก็จะต้องแนะนำว่าเมื่อต้องการอยากได้สมาธิมันก็ต้องอใช้คำบริกรรมอันนี้อาจจะเกิดจากความประมาทความไม่อดทนความรู้เท่าไม่ถึงการ ความเกลียดคร้านตลอดจนถึงไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เสียความเข้าใจอันดีและทำให้เห็นความจำเป็นในสิ่งนั้นๆก็จะไม่ประสบผลสำเร็จคือคนที่มีความประมาทหรือคิดว่าสมาธินี่ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกย็นเข็นใจอะไร มีความประมาทก็เลยไม่ต้องวริกรรมอยากจะสงบก็สงบไปเลยคนต้องยอมรับว่ากิเลสมีอยู่มากจึงทำให้เกิดถิ่งก่อความไม่เข้าใจในตัวเองทำให้มีความแอบแฝงที่กลบความจริงไปเสียจึงมีความเสื่อมเกิดขึ้นจนกลายเป็นมิจฉาทิฐิทั้งนี้สอนให้เห็นถึงกําลังแรงของกิเลสส่วนหนึ่ง อันเป็นการค่อยทำลายความจริงต่างๆนั่นก็อยากได้ความสุขเหมือนกันก็อยากได้เงินแต่ไม่ทำงานการที่จำเป็นต้องบริกรรมนั้นเพราะออหลีเกเลี่ยงไม่ได้เช่นผู้ต้องการจะได้ชั้นประถมมัธยมจะหลีเกเลี่ยงการไม่ไปโรงเรียนหรือหลีเกเลี่ยงไม่จับปากาดินสอนั้นไม่ได้ดังนั้นเขาจึงจาเป็นต้องเรียนจึงจะได้ชั้นที่ต้องการ ขณะที่เราต้องการสมาธิต้องการความสงบต้องการจิตใจให้บังเกิดขึ้นซึ่งสันติอันเป็นความตั้งใจนี้จะให้สำเร็จผลตามความต้องการในระยะหนึ่งจึงต้องทำความเข้าใจว่าจำเป็นต้องบริกรรมหากว่ายังมีความไม่เข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำความเข้าใจให้ค่อยๆในการที่จะตอกย้ำ อธิบายในการเจาะลึกนี้หมายความว่าเราจะต้องมีความแน่ใจในการบริกรรมนี้ตามความเป็นจริงอย่างไรเพราะว่าหลักการต้องเป็นหลักการการปฏิบัติสมาธิต้องพบหลักการดังนั้นเมื่อผลออกมาเราก็ดำเนินไปตามหลักการนั้นๆและระบบระเบียบก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลจะมาดำเนินการก็จะเป็นการข้องตัวไม่ต้องมาจัดระเบียบใหม่ในการที่ได้เขียนเอาไวน้นี้ในหลักการ น, านี้นี่ถ้าหากว่าอ่านไปลวกลวกลวกๆกไปอย่างนี้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าอ่านแกะไปทีละตัวแล้วก็ไปนึกไปคิดอ่านแกะทีละตัวแล้วก็ไปนึกไปคิดมันจะได้ความรู้ขึ้นอีกเยอะ ยังไงก็ตามวันนี้ก็คือวันศุกร์วันวันศุกร์วันที่สี่ไม่ต้องทำอย่างนี้ซะแล้วเลยวันศุกร์วันที่สี่วันที่สี่วยก็ไม่ออกสิเป็นวันศุกร์แล้วแล้วก็จะต้องพบกันอีกในวันจันทร์อะไรก็ต้องคุยเพิ่มเติมขึ้นอีกสักนิดหนึ่งว่าในสมัย ที่หลวงพ่อเป็นพระหนุ่มต้องการนอยากจะไปพบพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้ถามพระอาจารย์ของหลวงพ่อพระจางกรงมาว่าเราจะไปพบหลวงปู่มั่น่ะจะไปพบได้อย่างไรท่านก็บอกว่าเวลานี้ ท่านอยู่ที่จังหวัดสกลนครในขณะนั้นหลวงพ่อก็ยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจากจันทบุรีไปสกลนครนี่เขาเรียกว่าคนละทิศสกลนครอยู่ภาคอีสานแล้วก็จันทบุรีอยู่ภาคตะวันออกริมทะเลบอกว่าแกจะเดินไหวไหมพระอาจารย์เขาถาม ไหวเป็นไงเป็นกันในที่สุดไหวจริงไหมก็บอกว่าจริงอย่างนั้นเราเดินกันในวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วทำยังไงท่านก็เดินตัวเปล่าก็อยากบอกว่าอยากจะไปแล้วก็ทำางานก็ไหวแล้วก็ไม่ให้คนไปส่งเราไปกันสองคนอ่าแล้วเวลาไปเนี่ย มันต้องมีผ้าคลองมีทธนกรกมีมีดโต้มีหินรับมีดมีมีดกลมมีบริขารเฉพาะบาทก็หนักแล้วก็ใส่เต็มบาทอาของหลวงพ่อเองก็ต้องใส่เต็มเช่นเดียวกันไอ้เราสะพายของเราเองนี่ก็อาการไม่ค่อยดีแล้วอืท่านว่าว่าแกเอาไปอีกรูปหนึอ่งเ อ, เอาไปอีกรูปนึงยังไม่พอ ยังให้กวอีกอันหนึ่งอีกตรงๆเราจะพายบาดสองลูกกดสองอันอบอกว่าเป็นไงก็เป็นกันละโอ้โหอันนีท้ทีนี้เดินวันแรกเนี่ยจะเอาประมาณยี่สิบกิโลออกจากอำเภอจากอำเภอเมืองไปหาอำเภอมากกบตาพุทธพวกเชียงดาวเนี่ยไปส่องอะไรเชียง สองดาวหรืออะไรเงี้ยในขณะที่เดินไปนั้นเดินไปในสี่กิโลแรกไม่เป็นไรสบายมากทีนี้ถ้าบอกว่าเอา้าพักก็พักพักหน่อยพอพักหน่อยเดินได้แล้วอ่างเี้ยก็เดินต่อพอเดินต่อแล้วทีนี้เป็นไงคราวนี้เดินสุบห้ากิโล ออกมาสี่กิโลแล้วต่อไปนี้เดินสิบห้ากิโลไหวไหมไหวพ อ, อไปถึงได้ห้ากิโลอาการไม่ดี <c oughs> นี่ไ อ, อคนข้างๆแลนะ้วน่ะให้มันมาช่วยสะภายหน่อยได้ไหมไปไปเจอคนชาวบ้านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้แกต้องสะพายคนเดียวเอา ถ้าใครยังไม่รู้สึกว่าไอตอนที่ไอบาดสองลูกอแล้วก็กดสองอันอยู่บนบ่า2สองบาแล้วก็เดินสิบห้ากิโลถ้าใครไม่เคยก็ลองดูมันมันเหลือกินจริงๆแลยว่าใจเกือบขาดแต่ว่าเป็นไงก็เป็นกันก็แสดงว่าอาจารย์เนี่ยทดลองหน้าดูเลยจะไปหาอาจารย์มั่นจริงไหมบอกว่าจริง เิงก็สะพายบาดสองลูกกดสองอันฉันก็ทั้งออกท้าวหนียวถงมาบกพุธนี่เย็นแล้วนะแล้วแต่เ น, นี้ก็ไปเข้าแทนตอนนั้นมีแต่ขม็นก็พูดกันไม่รู้เรื่องนอนแล้วก็จำวัดแตตื่นขึ้นมาเราก็ออกบินธบาทพอออกบินธบาทแล้วเดนเท้าขึ้นมาโอ้ลกซองมอค่อยลกซองมอค่อย่าั้น ล็อกซงล็อกคุยนั่นแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าพระมาแล้วอพระนี่เขาเรียกว่าลูกสงล็อกซงล็อกซงลอกคุยแล้วเขาก็ให้ฉันแต่อน้ําตาลน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอ้อยก็เข้าใส่บาตรมากลับคืนมาก็ไม่มีใครมาก็เอาน้ําน้ําฉันเสร็จแล้วก็เข้ากับเอน้ําตาลน้ําตาลอ้อย ก็คิดว่ากว่าจะไปถึงหลวงผูมั่นนี่ก็คงจะถึงเธอสุดท้ายนะวันนี้เราคงจะพูดเพียงเท่านี้การตอบถามกันเลยกันแล้วกัน <c oughs> เริ่มจะอันไหนเออหนึ่งแปดห้านะ เ, เริ่มตั้งแต่หนึ่งแปดห้าคุณรัฐห้าแปดหนึ่งห้า เออคุณรักสวรสดิ์พวีแสงสกุลไทยกลาวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอลูกขอถามคําถามคือก่อนหน้าที่ลูกจะมาปฏิบัติกับพระอาจารย์นะคะลูกจะเคยชินกับการเอเปิดเทปธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิไปทีนี้เอมื่อเคยชินกับการเปิดเทปธรรมะแล้วก็มานั่งสมาธิพอมาปฏิบัติกับพระอาจารย์แล้วเนี่ยทีนี้มันก็จะไม่มีเทศธรรมะ เราก็จะนั่งเองก็รู้สึกว่าการที่จะนิง่งเนี่ยรู้สึกว่ายากกว่าตอนที่นั่งฟังเทปธรรมะสมิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเจ้าคะอันนี้จะแก้ไขยังไงใช่ค่ะก็หมายความว่ า, าเราเคยชินกับการได้ยินเสียงธรรมะแล้วก็เป็นเครื่องกล่อมใจคือการที่ทำสมาธิเนี่ยมเมื่อลักษณะที่ กล่อมใจแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิอันนั้นก็เป็นลักษณะแล้วมาเรามาบริกรรมโดยไม่ต้องมีเสียงกล่อมใจให้เกิดสมาธิก็จะมาเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้อย่างที่ไม่ต้องมีเสียงเป็นเครื่องกล่อมนั้นจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่ไม่ต้องมีเสียงกล่อมแล้วทาจิต ให้เข้าไปเลยนั่นมันเป็นความชำนาญเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราไปประสบเหตุกระทันหันหรือเราไปพบสิ่งที่เขาเรียกว่าเหตุกระทันหัน <c oughs> เราไม่มีเสียงที่จะเป็นกล่อมแล้วในขณะนั้นเราต้องใช้พุทโธที่จะต้องเข้าตั้งหลัก ก็เป็นอันว่าเราใช้ไม่ต้องมีเสียงแต่เราทำสมาธิได้ถือว่าเราก็เลื่อนมาอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> ทีนี้นีพอมาฟังผ้าจารสอนนะเจ้าคะลูกสังเกตว่าเมื่อทำจิตน้อมทน้อมตามคำสอนของอาจารย์โดยพิจารณาค่าควรในจิตแล้วเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกรู้สึกว่าเสียงของอาจารย์ไม่ได้ผ่านเข้าไปที่หูนะคะจะมันลงสู่ใจเลยอะคะ่ะอันนี้มันคืออะไรเจ้าคะ อันนี้สังไม่ถนัดคือรูปฟังคําสอนของพระอาจารย์แล้วเอามันํามาใคร่ครวญกับจิตของเรานะคะปรากฏว่าพอใคร่ครวญไปใคร่ครวญมาเรามากลางยูอีกทีนึ่งเอ๊ะเสียงพระอาจารย์ไม่ได้ผ่านเข้ามาทางหูค่ะจะมันลงเข้ามาสู่ใจเลยมันหมายความว่างไงอันนั้นหมายถึงว่าจิตมันละเอียดเท่าแล้วมันก็ไม่มีความสัมผัสให้รู้สึกว่าเป็นหูหรือเป็นตาอะไรนี่ยมนคงจะ ไม่ต้องไปผ่านเพราะว่าจิตละเอียดกว่าที่จะมาทำความรู้สึกกับกายหยาบเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องเข้าถึงใจไปเลยอันนั้นถือว่าจิตมันมาอีกระดับหนึ่งขอบพระคุณเจ้าค่ ะ, ะต่อไปก็ขอเชิญคุณรื่นจิตวิมุตตานันจิตขอถามสองข้อนะคะ ข้อที่หนึ่งก็คือว่าในการเดินจงกรมนี้เออแทนที่จะเดินกลับไปกลับมาเนี่ยถ้าเรามีที่ว้างๆเช่นเดินรอบต้นไม้ใหญ่ๆแล้วนะสามารถจะเดินเป็นวงกลมได้หรือไม่คะเ อ, อเขาไม่ค่อยทํากันนะอ่าเดินกลมเดินยังกลมบางทีคนเลยไปตั้งวงกลมทจริงไม่ใช่การเดินวงกลมอย่างนั้นก็ย่อมได้แต่ว่า ตามหลักการจริงๆแล้วของการเดินจงกรมนั้นอะ่ะก็เดินกลับไปกลับมามากกว่าการเดินจงกรมเดินวงอย่างนั้นก็เรียกว่าทักสินาวัดก็อาจจะเป็นเวลาวิสาขมาฆาอะไรเนี่ยเขาทำกันได้เกิข้อที่สองอยากให้หลวงพ่อช่วยกรุณาอธิบายจุดพลังอำนาจอีกครั้งนึงค่ะว่าจุดนี้เนี่ยมีในทุกคนหรือเปล่าคะหรือมีเฉพาะคนที่ทาสมาธิเท่านั้น อะไรจุดพลังอำนาจนะค ะ, ะจุดพลังอำนาจนั้นมีอยู่ทุกคนแล้วก็เวลานี้เราก็มีอยู่ทุกคนนี่มีจุดพลังอำนาจเท่านั้นแต่เราเอามาใช้ไม่ได้เท่านั้นเองแล้วแล้วถ้ามีนี่อยู่ตรงไหนคะอันนี้เอาไว้พูดกันทีหลังข อ, ขอบคุณค่ะอย่ถามคนเดียวหมดต่อไปก็เอามาถึงอคุณละไมโชคศิริเลยกลาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ สิตมีมีคำถามที่จะถามนะคะว่าเ อ, อ่อทำอย่างไรเราถึงจะไม่กลัวค่ะเวลาที่เราเดินหรือว่านั่งสมาธิอย่างะตกใจง่ายแล้วก็ไม่ก้านนั่งฮะเ อ, อ่อสิ่งที่ทำให้เกิดความกลัวนั่นคือว่าเ อ, อ่อเรายังสะสมพลังจิตไม่เพียงพอทีนี้มาสะสมพลังจิตไม่เพียงพอเนี่ยเ อ, อ่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความหวาดเสียว เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธนี่แหละให้มากที่สุดเพราะว่าการบริกรรมพุทโธหรือว่ามีลักษณะที่มีความรู้สึกตัวแล้วพุทโธเนี่ยความจริงผลไม่มีมากแล้วก็สะสมพลังจิตไว้ไปตลอดแล้วก็ทําความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นน่ะมันคือกิริยาจิตของเราอันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ควรกลัวเพราะว่าเมื่อเราทำสมาธิแล้วอา น, นิสงส์มากมายฤกษเนี้ต่อไปก็ขอเชิญคุณรัตดาเพลมฤไทย์กาบนมาตรการพระอาจารย์รค่ะเจาติด เ, เรียนถามพระอาจารย์ว่าก่อนเดินจงกรมและนั่งสมาธิจะต้องสวดบนเวลาเช้าหรือเวลาเย็น พี่สิทธิ์ทำปฏิบัติอยู่นั้นนจ้ค่ะบูชาพระรัตนาตรัเจ้าค่ะที่ดังแล้วทีนี้กาพระรัตนไตาแล้วก็มัตรการพระรัตนไตาถวายพรพระแล้วก็บางครั้งก็สวดไทรมงคลคาถาพาหุงแล้วก็ธรรมจกักแล้วก็ยอดพระกันใส่ปีดกเจ้าค่ะ แล้วสวดที่ไหนอ่ะสวดที่บ้านเจ้าค่ะข้องพระนะอ่าสวดที่บ้านนั้นนั่นเขาเรียกว่าภาวนาไม่จะถูกต้องไหมเจ้าค่ะอ่านั่นถูกต้องแล้วเพราะว่าการสวด น, นั่นถือว่าภาวนาไม่ทาให้เกิดพลังจิตชนิดหนึ่งได้เหมือนกับสมาธิเหมือนกันทําต่อไปเลยเดินเจ้าค่ะอ่าทำต่อไปเลยขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าทำได้มากเท่าไรกจยิ่งดีอันนั้น อต่อไปขอเชิญพันตารวจโทหญิงรัต ด, ดาลอดประเสริฐกราบในมัธการพระอาจารย์ค่ะสิทธิ์ก่อนที่สิทธิ์จะมาเรียนจะมาสมัครเป็นครูสมาธินี้นะคะสิทธิ์อยากจะนั่งสมาธิเป็นสิทธ์จึงได้ไปเรียนถามพระพิกสุรูปหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาว่าทําอย่างไรจึงจะนั่งสมาธิเป็นพระท่านนั้นได้บอก ให้ศิษย์ไปใส่บาตรทุกวันอังคารและวันเสาร์วันละหนึ่งองค์โดยก่อนใสยให้อธิษฐานว่าพุทโธธมโมสังโฆสามครั้งนะคะเป็นเวลาสามเดือนซึ่งศิษย์ก็ได้ปฏิบัติตามจนครบสามเดือนแล้วได้ไปเรียนถามท่านว่าต่อไปจะให้ปฏิบัติอย่างไรท่านก็บอกว่าต่อไปก็ให้ภาวนาณนะปูชิตโตณนะปูชิตตังวันละยี่สิบนาที แล้วก็ให้ใส่ว่าให้ใส่บาทวันพระหนึ่งองค์มีดอกไม้ทุกเขียนทุกครั้งพร้อมทั้งปัจจัยอีกสิบบาทหรือยี่สิบาทก็ได้สิจอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเหตุใดพระรูปนั้นจึงให้สิทปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและคำว่าอน้าปูชิตโตกับน้าปูชิสตังเนี่ยแปลว่าอะไรคะพระ อ, อ, อ, องค์นี้ก็สอนแปลกนะ <c oughs> วอให้ใส่บาตรแทนที่จะให้นั่งสมาธิให้ใส่บาตรซะนี่ก็สิทธิ์อย่างนั่งสมาธิไม่เป็นนี่ค่ะก็แสดงว่าการทําอย่างนั้นก็ไม่ ม, ไมีไม่ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นบุญกุศลอยู่ทั้งใส่บาตรด้วยแล้วก็ทั้งภาวนาด้วยแล้วก็นอปูพิโต ว, ว่างั้นใช่ไหม ได้คะ่นะนัปูจิดโตนะัปูจิดตังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรอะคะ่<น>ะเรื่องอยา่างนโตค่ะแล้วก็นะปูชิดตังนัปูจิด ต, ต้องเอาไว้แปลทีหลังเพราะว่านะับปูจิดโตก็เหมือนกันกับว่าอย่าไปบูชาอะไรอย่างเงี้ยนะับแปลว่าไม่ปูจิดโตแปลว่าบูชาก็รู้สึกว่าไม่ค่อถูกเท่าไหร่นะ อาจจะเป็นอะตูที่โตเนี่ย <c oughs> แต่เป็นนาปูที่โตก็คงจะอันนี้ยังต้องหาคำแปลอยู่ <c oughs> แต่ยังไงก็ตามเมื่อได้มาที่นี้แล้วก็คงจะได้นั่งสมาธิแล้วก็ขอให้นั่งสมาธิต่ตอไปตามลำดับไปก็แล้วกันค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปก็คงเป็นเบอร์ เออแปดสองแปดคุณลำยัยบัณฑิตาโนดปราบนามัมการพระอาจารย์ค่ะเอ่อเจตอยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธินะจิตมันสงบดีแล้วแต่ทำไมมันมึนตรงสว่างหน้าผากอะค่ะมันหนักหนักเอ่อเวลาจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าสงบจริงจริงเอ่อไอ้ตรงมันคงไม่รู้สึกหรอก เพราะว่าที่มันมึนน่คือเราได้ตั้งจิตไว้ที่นั่นเข้มแข็งพอตั้งจิตไว้ที่นั่นเข้มแข็งแล้วความรู้สึกก็ไปรู้สึกที่นั่นแท้ที่จริงนั่นน่ะพอเวลาที่จิตเป็นสมาธิจิตมันก็สงบแต่ความรู้สึกที่รู้สึกมึนที่สะนะจิตก็สงบแต่ว่ายังเป็น ก, การสงบขั้นแรกถ้าหากว่า สองออกไปถึงขัน้นเอ่อถึงขั้นสมาธิจริงๆแล้วนี่ตรงเนี้ยตรงหน้าผากก็ไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกทั้งหมดอ่าแต่ถ้าหากว่ายังรู้สึกอยู่อย่างนั้นถือว่าเป็นสมาธิที่มีพลังอยู่แล้วถือว่าใช้ได้ก็แล้วกันขอบพระคุณค่ะต่อไปก็ขอเชิญคุณรินลีกิตติอิตพานิช <c oughs> กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอะตามที่ท่านได้แนะนําสอนว่าเอการขับรถเนี่ยเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ถ้าให้ใส่บริกรรมเข้าไปแล้วตรงนี้จะเกิดพลังไม่ทราบว่าถ้าเผื่ออุปยาบทต่างๆตลอดวันที่ติดเจริญอย่างเช่นเออาบน้ําหรือแต่งตัวหรือทํางานอย่างเนี้ยค่ะก็เจริญสติตลอดเวลาแล้วก็ต้องใส่บริกรรมด้วยไหมคะ ในตอนนั้นองไม่ต้องก็ได้อันที่เป็นสมาธิด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราต้องการให้เป็นสมาธิในขณะนั้นก็เพียงแต่ว่าทำความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าเป็นการรีกรรมนี่ควรจะต้องเป็นเวลาที่เหมาะๆ <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นเวลาอาบน้าก็ดีแต่งตัวก็ดีเรืออะไรก็ดีเนี่ย ถ้ายังไงเพียงมีสติความรู้อยู่ก็ถือว่าเป็นสมาธิแต่ถ้าบริกรรมก็คงไม่ไม่ห้ามถ้าทำได้ไม่ทราบว่าเราจะมีพลังไหมคะพลังนี้จะเกิดจากความนิ่งความนิ่งของใจแม้ว่าเราไม่ออกคำว่าพุทโธแต่ถ้าหากว่า เรากำหนดความนิ่งของใจได้ก็เกิดพลังก็เกิดไม่เฉพาะแต่ว่าเราจะต้องบริกรรมถึงจะเกิดพลังอย่างอี้เป็นต้นแต่ว่าการบริกรรมนั้นอ่ะถ้าหากว่าเราใช้คำบริกรรมไปเช่นอย่างเร า, านั่งสมาธินี่เราใช้คำบริกรรมนี่ความละเอียดมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยละเอียดตามลำดับแต่ส่วนตัวว่า เราเดินไปก็ดีเรื่องเราทำงานก็ดีเราบริกรรมนั้นคำบริกรรมมันจะหยาบมันก็พิกันตรงนี้แต่ว่าก็หรือว่าเราต้องหาที่ให้เวลาหมอๆละบริกรรมดีถ้าทำไปทุกที่ทุกทางก็คงจะไม่ไม่ไม่ไม่เหมาะกันแล้วกันค่ะ ขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วเหรอหมดถามได้น้อยจังได้ห้าเองวันนี้คุยมากไปก็คงจะเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกัน